ความเข้าใจเรื่องของพอแล้วพออเบาลงเรื่องของการระวังนะฮะสำรวมระวังเพราะว่าไม่เหมือนในงานอบรมทั่วไปอบรมทั่วไปนี้เราปรับอีวีปรับอะไรกันก็เสแหลมนิดนึ่งเสยงเบา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 การปฏิบัตินี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปมันก็ต้องมีทุกตามเรื่องของมันแต่เราจะไปให้รูปเนี่ยวิ่งกับความทุกข์ของจิต ด, ด้วยจิตที่มันวิ่งว่อนไปเรื่องโน้เรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไปกับอาการของจิตมันก็ดูว่าเราไม่รู้จกักรูปนาำพยายามที่การเคลื่อนไหวแต่ละ จุดแต่และแห่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแล้วิจารณาอีกแล้วว่าเราจะเคลื่อนไหวไปไหนเพื่ออะไรแต่และคนจะอยู่ในสายตาของกันและกันถ้าหากว่เราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่แคร์สายตาคนอื่นเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติที่จะเข้าใจสภาวะได้เพราะ น, นั้นในการเข้าค่ายเป็นการเรียบเรียง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 สอบสวนเชื่อก่อนว่ามันจำเป็นไหมเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรพี่แจ๊คว่าสัมปชัญญะซึ่งได้กล่าวไว่าเรื่องสัมปทัญญ ะ, เ ส, ะเสียงมันเงียหลุ่มๆปาปิญญเสียงมันม่จะไม่เป็นก็ถ้าหากว่าเราจัดการเป็นเนี่ย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 จัดการกับจิตได้แต่ไม่ใช่บังคับจิตการตรวจสอบจิตของเราว่าแต่ละขนะเป็นอย่างไรเวทนาทางกายนี่เราแก้ไขาบาบัดได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นการจะปรับอย่าเปลี่ยนในแต่ละครั้งเนี่ยวทนาทางกายตรวจสอบแต่ละเวลาว่ามันทนได้ไหมนะ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 แต่ที่นี่เราไม่มีรูปบังคับหมายถึงว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็ก็ได้แต่ว่าให้จําปัดอยู่สถานที่ตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยถ้าหากพอเราเปลี่ยนไปตรงนี้ติดตรงนิดน่อยแล้วก็เอาตัวเองไม่อยู่ก็ดูเหมือนว่าเราสนองตอบสนองความอยากของเราเพราะนั่นเองเมื่อเรากําหนดที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ย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 กาศึกษานี่เราศึกษาวิธีการยืนการเดินการนั่งมันมีกี่อย่างที่สามารถจะทำได้ก็ฝึกทามันไปนะแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเคยนึกถึงเคยทำแบบก็ทำแบบนั้นมันเป็นความเคยชินแต่พอเรานึกที่จะศึกษาเองนั่งแบบนี้เอารองนั่งแบบนี้ดูบ้างเอานั่งแบบนี้ดูบ้างได้ไหมอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไปในตัว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 เป็นชิ้นเป็นอันเราไม sí ่ไ no. ด้ทําแบบทิ hmm. nice. ้งทิ oh. 69, ้งคงคว้างทำแบบแก้เขินแก้คยแก้เบื่อแก้สิ่งไว้เงันไม่ได้ทำแบบนั้นทำเพื่อยเลยได้เห็นความกระชับเหมือนกับสร้างหูที่เลี้ยงได้ที่ละเส้นและเส้นและเส้นและเส้นการเรียบเลี้ยงแต่ละครั้งมันหมายถึงความปางขึ้นของพื้นที่ ใ น, นการถักทอตัวรู้ก็เป็นแผ่นผป็นผ้าเป็นผืนนี่ก็เรียกว่าฐานแล้วสติปฐานคือการเรียบเรียงขสติเข้าไปเ <_ an> สื่อที่เรานั่งผุมที่เรานั่งมันคือคือการเรียบเรียงของได้ที่ไเส้นเส้นเสื่อที่ไเส้นในเส้นเส้นถูกถักทอเข้าไปอย่างมีระเบียบอย่างมีระบบกลายเป็นผืนใหญ่ผ้าที่เราห่มเนี่ยเครื่องจาักรมันก็เป็นการเรียงได้เพราะที่ไเส้นในเสเส้นจนภาพเป็นผื น, ผนใหญ่